อ้ต่านีหน้าแดงตัวนี้เข้าใจเรื่องมากเลยพวกอาจารมาเคยเดินมาทานนักเรียนอ่ะเคยถามเสียงผูดแทนเคยประเภทว่าฮีโร่เก่าอะไนะมาเจอแล้วพ่อบอก ม, มันพูดสามหน้าเลยอย่าขึ้นต้นมาให้นะตกมันจิตมันแน่นานนะแน่นอยู่นานเลยว่าเราท่านนี้จะให้กําลังใจนะไหมธรรมดาคนเขาเลี้ยงคนไว้ใช้งานเขาให้กําลังใจดีตัวนี้เขาจะเลี้ยงคนไม่ใช้งา น, งาง น, งานแต่นลวงพ่อหนูไม่เลี้ยงเลยนะเอาจังเลยแล้วพูดต่อหน้าคนด้วยนะ